สิกขาบทที่สองถามทรงบัญญัตทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อฉันบินธบาตมองดูไปในที่นั้นๆในสิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัตเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา